ทีนี้พระเจ้าก็มองต่อละอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้มีอุปาทานเพราะอะไรเป็นใจจึงมีอุปาทานตัณหาโยมเก่งนะยังไม่ลาเนาะยังยังไหวเนาะทนฟังเหร อ, อโอเค แล้วมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานดูสิหน้าตาเป็นยังไงพระ เ, เจ้าเนี่ยความต่อว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตยังเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ยังมีการเกาะเกี่ยวผูกพันอยู่กับอารมณ์ก็เพราะว่าเพราะยังมีความต้องการความต้องการคือคําพูดภาษาไทย แต่ถ้าเป็นภาษาอินเดียเขาก็คือเพราะมีตันหาถ้าเป็นคนไทยก็คือเพราะยังมีความต้องการนี้คาว่าเพราะมีตันหาจึงมีอุปาทานในที่นี้เนี่ยหน้าตาของเจ้าตันหาในชั้นที่จะหล่อเลี้ยงอุปาทานเนเขาหมายเอาถึงตันหาในชั้นที่นอนเนื่องในภายใน หรือตันหาที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยราคะโทสะโมหะตันหามันมีสองชนิดคือตันหาที่นอนเนื่องภายในกับความรู้สึกอยากที่เกิดดับเมื่อผัสสะกระทบเนี่ยพอกระทบแล้วยากแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ยากแล้วก็ดับกับตันหาในชั้นนอนเนื่องนอนเนื่อง คนเราสิ้นตัณหาได้บริบูรณ์ก็คือสิ้นตัณหาที่นอนเนื่องข้างในหรือความต้องการที่อยู่ในภายในนี่ความต้องการเนี่ยพุทธเจ้าท่านได้แจกแจงว่าความต้องการของคนเราเนี่ยหมดแล้วในระบบธรรมชาตินีก็อยู่ในข่ายที่จะต้องการต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัและธรรมรม แค่นี้หมดละหมดละไม่เหลืออะไรให้ต้องการละหมดโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมดลงเฉพาะภาพก็คือสิ่งที่เห็นด้วยตานี่มันเยอะไหมอยากได้ทั้งโลกที่ตาเห็นนี่มันเยอะไหมเห็นอะไรนะั่นคือภาพเห็นรสฉันอยากได้รสเห็นบ้านฉันอยากได้บ้านสิ่งที่เข้ามาทางตาให้อยากได้นี่มันเยอะไห อยากได้ต่อสิ่งที่เข้ามาทางตาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะยาบางคนตาไปเก็บมาไว้ต้องหลายเรื่องแล้วในอกเนี่ยดัยงนั้นความต้องการต่อภาพเสียงกลิ่นรสผลิัณฑธรรมรมคือความต้องการที่ครอบคุมหมดทุกสิ่งแล้วอยากหมดทุกสิ่งแล้วในความต้องการอย่างนี้ยมันทําให้คนเรามีความยึดถือได้อย่างไรเมื่ อ, อยังมีความต้องการอยู่ อย่งเช่นใจเราเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนย่อมต้องการชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมต้องการชีวิตที่ดีขึ้นมันจะดีขึ้นเมื่อได้มาซึ่งอะไรความสะดวกสบายทุกอย่างก็คือกามอคุณเมื่อต้องการกามคุณอยู่เพราะตัวเองยังพร่องยังขาดเนี่ยก็จะยังต้องการเติมมันให้เต็มแต่ถ้ายังเติมมาในชีวิตไม่เต็มเนี่ยชีวิตจะยังต้องการมาอยู่อย่างนั้นไหม เหมือนเรายังไม่ยอมที่จะถึงจุดที่มันพอมีพอกินได้สักทีเนี่ยความต้องการมันยังอยู่อย่างนั้นไหมก็อยู่อย่างนั้นน่นอนก่อนหลับยังไงนยณผ่าก่อนทีอย่างเลยเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายตรงนั้นเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะได้หยุดทำงานสักทีเมื่อไหร่คือเนื่องจากว่าชีวิตมันยังขาดอยู่เมื่อยังขาดมีใครมั่งขาดแล้วไม่ต้องการรู้สึกมันยังขาดอยู่เลย ยังไม่พอเลยยังไม่พอเลยยังไม่พอเลยเนี่ยเมื่อคนยังมีความไม่พออยู่ความต้องการยังมีอยู่ในใจไหมมีอยู่เมื่อความต้องการมีอยู่ในใจสิ่งที่ต้องการมันจะมีไหมมีนะมีแมมต้องการแบบไม่ต้องมีสิ่งที่ต้องการ่ะไม่มีเมื่อใจมีความต้องการอยู่หมายถึงสิ่งที่ต้องการก็ยังมีอยู่สิ่งที่ต้องการใช่เป้าหมายไหมใช่ เช่นต้องการจะเป็นอะไรเนี่ยบางทีต้องการจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นก็คือเป้าหมายต้องการจะมีอะไรก็คือเป้าหมายต้องการจะได้อะไรก็คือเป้าหมายเป้าหมายถูกวางไว้ละเมื่อเราต้องการอะไรอยู่เนี่ยหมายถึงระวังเป้าหมายไว้เลยเมื่อระวังเป้าหมายเอาไว้สิ่งนั้นจะยังอยู่ในใจไหมอยู่ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะถูกหล่อเลี้ยงไว้ในใจ ถ้าเราไม่ต้องการมันมันจะอยู่ในใจเราไหมมีไห ม, มไม่ไม่อยู่ในใจเพราะเราไม่ต้องการมันแต่พอต้องการอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายในใจเลยเมื่อมันเป็นเป้าหมายในใจสิ่งที่เป็นเป้าหมายในใจมันกลายเป็นสัญญาที่ดึงการนึกคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆได้ไหมได้ไหมเนา ได้เป้าหมายยังไม่เสร็จเนี่ยแม้จิตสุดท้ายก่อนตายมันยังลอยมากกนได้ไ้ยได้เออตายังไม่หลับเพราะมันยังไม่เสร็จฉันว่าจะหาสมบัติให้ลูกให้พอสักหน่อยดันตายก่อนอย่างเงี้ยไม่เสร็จนะนั้นเมื่อมีความต้องการสิ่งใดความต้องการก็จะหล่อเลี้ยงสิ่งที่ต้องการไว้ในใจด้วยตรงนี้ก็ใช่ว่ากาหนดสิ่งใด คนต้องการอะไรอยู่หมายถึงกําหนดเอาไว้ถูกไหมว่าฉันจะต้องถึงจุดนี้ฉันจะต้องมีนี่ฉันจะต้องเป็นอู้เนี่ยพิกษุกําหนดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพิสุเจาะจงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพิกษุนอนประจําสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ พอต้องการอะไรก็ตามมันจะเกิดสิ่งที่ต้องการถูกหล่อเลี้ยงไว้ในใจด้วยนี่คือข้อหนึ่งกับพอต้องการอะไรมันจะจริงจังจริงจังตรงนี้ใช้คาว่าเจาะจงจริงจังเช่นถ้าโยมยังไม่ได้ต้องการอะไรโยมจะยังไม่รู้สึกจริงจังเท่าไหร่พอต้องการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยจริงจังเลย ตอนยังไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยจริงจังไหมแต่พอตั้งเป้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยจริงจังหรือยังจริงจังเลยนะพอต้องการปั๊บมันจริงจังเลยจริงจังทั้งเป้าหมายจริงจังทั้งการกระทำบางทีจริงจังไปถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวพันเลยเกี่ยวพันกับสิ่งที่ตนต้องการเนี่ยถ้าเข้ามาขวางโกรธมโกรธถ้าเข้ามาช่วยรักไหรัก พอต้องการแล้วมันเข้าไปจริงจังทำให้เกิดความจริงจังทั้งเป้าหมายทั้งการกระทาทั้งสิ่งที่เกี่ยวพันเลยความต้องการเนี่ยนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการเป้าหมายมันจะมีไหมไม่มีการกระทามันจะจริงจังมะไม่จริงจังเมื่อเราไม่ต้องการเนี่ยคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราจะจริงจังกับเขาไห ก็ไม่จริงจังดังนั้นพอต้องการมันให้ความจริงจังให้เป้าหมายให้การเกาะเกี่ยวอย่างเช่นคนเคร่งเอาเป็นเอาตายในศีลพรดวัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการถ้าไม่ต้องการความสุขหรือความเป็นอมตะอะไรของเขาเนี่ยเขาจะเคร่งเอาเป็นเอาตายไหมไม่ พอต้องการเข้าไปจึงไปจริงจังกับการปฏิบัติเพื่อจะเอาให้ได้พอต้องการเข้าไปจริจึงไปรัดกลุ่มที่จะฝังใจเชื่อให้แน่วแน่พอเชื่อว่าถ้าเชื่ออย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยตนจะได้สิ่งดีๆที่ตนต้องการนั้นความต้องการเนี่ยทำให้บุคคลนั้นทั้งไปเชื่อทั้งไปจริงจังทั้งไปเกาะเกี่ยว เช่นขณะที่เราต้องการอะไรอยู่เนี่ยเราจะยังวางมันไหมไม่วางเหมือนโยมกินข้าวเนี่ยถ้ายมยังไม่อิ่มนะโยมจะยังต้องการมันอีกไห ม, มต้องการใช่ไหมเมื่อยังต้องการก็คือยังไม่ยอมวางจานยังกินต่อแต่เมื่อยมอิ่มอิ่มแล้วโยมก็จะไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการโยมจะวางจานไหมวางเขามาให้อีก ถ้าอิ่มจริงๆจะเอาไหมไม่เอานพอต้องการเนี่ยมันจะยังไม่วางแต่ถ้าพอไม่ต้องการปับ๊บมันจะหยุดและวางาสังเกตนะโยมทำอะไรก็ตามถ้าโยมยังต้องการมันอยู่โยมจะวางมันไหมไม่วางแต่ถ้าไม่ต้องการมันแล้วยมวางมันไหมวางเหตุที่ยังไม่วางเพราะยังต้องการมันอยู่ ที่ยังไม่วางก็คือยังเกาะเกี่ยวยังผูกไว้ยังกะระทําในใจยังนึกถึงเนี่ยเพราะยังต้องการมันอยู่แต่พอใจไม่ต้องการแล้วเนี่ยนั้นคือหยุดและวางนึกภาพออกไหมเวลาโยมต้องการอะไรสักสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งนัน้นเป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยโยมจริงจังไหมจริงจัง ถ้าไม่จริงจังโยมก็จะเข้าใจว่ามันไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่จริงจังนั้นถ้าอยากได้อะไรสักสิ่งขึ้นมาเนี่ยโยมจะเริ่มจริงจังในสิ่งที่ต้องการในความจริงจังตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยพร้อมจะก่อเกิดอารมณ์ลึกได้หลากหลายเลยกลัวได้ไหมกังวลได้ไหมได้โกรธได้ไหมรักได้ไหม ได้นั่คือพอต้องการเข้าไปเนี่ยความจริงจังทั้งตนเองทั้งสิ่งที่ต้องการทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องมันเกิดทันทีเลยพอจริงจังเข้าไปการเกาะเกี่ย ว, ยวต่อสิ่งโดยรอบเนี่ยเกิดได้ไหมได้เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์รักเกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ชังเกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์กลัวทุกกิริยาการเกาะเกี่ยวนี้คืออุปาทานมีประธานได้เลย เพราะต้องการแต่พอไม่ต้องการเข้าไปเนี่ยคนนั้นก็จะวางนะเคยอยากได้อะไรมากๆเนี่ยอยากได้แล้วก็ยังไม่เคยได้สักทีหนึ่งก็ ย, ยังคิดว่าจะได้อยู่นั่นลหละก็จนกระทั่งผ่านวันเวลาถึงจุดหนึ่งไปเกิดความรู้ความเข้าใจว่าไอสิ่งที่เคยอยากได้มันไม่ได้มีแก่นสารอะไรเลย พอไม่มีการสารอะไรเลยปร่งใจได้ตกไม่เอาละพอปร่งใจได้ตกไอ้สิ่งที่เคยอยากได้มันจะลอยมากวนอีกไหมไม่แต่ตอนยังไม่ได้ปร่งใจเนี่ยมันยังนึกถึงกันได้อีกไหมได้นี่คือความต้องการความต้องการมันทำให้ใจยังผูกไว้กับสิ่งที่ต้องการตรงผูกไว้ตรงนั้นคืออุปาทาน ต้องผูกไว้เนี่ยกับความต้องการทําให้เกิดความจริงจังจริงจังความจริงจังในสิ่งใดก็ตามเนี่ยทำให้ใจนั้นก่อเกิดกิริยาที่จะพร้อมกลัวกังวลพอจริงจังในเป้าหมายนี้กังวลพอกังวลก็นึกถึงแต่มันนั่นแหะถูกไหมกังวลว่าจะไม่ได้ว่าจะพลาดไหมว่าจะอย่างนี้ไหมบางทีนอนไม่หลับเลยก็คือกังวลนี่คือจริงจัง แต่พอไม่ต้องการแล้วเนี่ยจะคิดเรื่องมันยังไม่คิดเลยสิ่งนั้นเมื่อไม่คิดมันจะอยู่ในใจไหพอไม่เอาพอไม่เอาคิดยังไม่คิดถึงเลยเข้ามาก็ไม่เข้าด้วยดังนั้นถ้ายังต้องการอยู่ก็คือปล่อยไปหรือยังไม่ยังไม่ปล่อยก็ไม่ถึงใจมันยังทำไมอยู่ก็เกี่ยวอยู่พระเจ้าพบว่า คนเรายังมีความยึดถือหรือยังเกาะเกี่ยวสิ่งใดๆอยู่ยึดถือในการมคุณก็เพราะยังต้องการในการมคุณอยู่ยึดถือในศีลพลดวัดเอาเป็นเอาตายก็เพราะต้องการที่จะได้ความสุขนละล่ะเพราะต้องการยึดถือในความเชื่อในความเห็นต่างๆก็เพราะต้องการความสุขยึดถือเอาเป็นเอาตาย เชื่อว่าถ้าเชื่อมั่นแล้วชีวิตจะดีขึ้นเชื่อมั่นแล้วชีวิตจะปลอดภัยเชื่อมั่นแล้วภายภาคหน้าจะได้ไปเกิดในสวรรค์คือเชื่อมั่นเชื่ออย่างนั้นยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพราะต้องการเป้าหมายก็ต้องการสวรรค์เลยยอมเชื่อต้องการที่จะเกิดมาดีกว่าเดิมก็เลยเชื่อเชื่อเลยโดนหลอกเลยเชื่องไห เหต่เชื่อเพราะต้องการยึดมั่นในความเห็นและในทุกความต้องการเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความยึดมั่นในตนด้วยยึดมั่นในทางว่ามีตนเนี่ยจึงต้องการสิ่งต่างๆมาเพื่อตนเพื่อตนเพื่อลูกของตนเพื่อญาติของตนนี่คือก็คือเพื่ อ, อตนนั้นพระเจ้ามาพบว่า ปัจจัยที่หล่อเลี้ยงความยึดถือในสิ่งทั้งปวงเนี่ยก็คือความต้องการจิตที่ยังมีความต้องการอยู่ในภายในก็หมายถึงใจมันยังไม่วางบางสิ่งคำว่าต้องการมันหมายถึงต้องมีสิ่งที่ต้องการและเมื่อมีสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่ต้องการมมีม เมื่อเรื่องราวเหล่านั้นมีเนี่ยสัญญามันจะมีไหมมีเมื่อต้องการอะไรอยู่การเกาะเกี่ยวสิ่งที่ต้องการก็ยังอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่ต้องการก็ยังอยู่นี่คือยังอยู่เลยนั่นแต่ถ้าหมดความต้องการในสิ่งนั้นไปปั๊บเนี่ยคิดถึงยังไม่คิดถึงเลยพอไม่ต้องการก็วางโยมไปร้านค้าอันไหนโยมไม่ต้องการโยมก็ วางอันไหนต้องการโยมก็หยิบใช่ไหมพอต้องการแล้วมันหยิบพอไม่ต้องการมันก็วางทีนี้พอหยิบไปบ้านไปใช้จนที่สุดเบื่อมันเสร็จเพราะเบื่อเสร็จโยมก็วางพอวางคือต้องการมันไหมฉันไม่เอาละนั้นเมื่อใดก็ตามคนยังมีความต้องการอยู่คนนั้นวางหรือยังยังเมื่อยังไม่วางตรงนั้นก็เรียกว่ายังมีอุปาทาน เพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานถ้าไม่ต้องการทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธมลมไม่เหลืออะไรในโลกให้ต้องการแล้วเนี่ยโยมจะไปจริงจังกับอะไรมีไหมจริงจังกับอะไรความไม่ต้องการทําให้เกิดภาวะที่จิตวางปล่อยแล้วหยุด ในภาว mirror ที่เรากาลังรู้สึกไม่ต้องการอะไรโดยแท้จริงแม้ชั่วขณะเนี่ยจิตเขาจะหยุดเขาจะนิ่งความคิดหายเลยแต่พอเริ่มต้องการและอะไรมาคิดมาเลยมาเลยไอ้เจ้าความต้องการอย่างเนี้ยเป็นความต้องการชั้นนอนเนื่องทุกคนต้องมีมีไหมมีใครตอนนี้ไม่มีความต้องการอะไรในโลกเลยมีไหมไม่มี แต่พอดูใจตอนนี้เราจะเห็นว่าเออเราเฉยเฉยถูกไหมแต่ถ้ามันนั่งดูตัวเองจริงๆเรารู้ได้ไหมว่าเรายังต้องการเรื่องนั้นอยู่ต้องการที่จะเป็นอย่างนี้ยังขาดสิ่งนี้ไม่ได้คำว่ายังต้องการคือหนึ่งอยากได้เข้ามาสองยังขาดมันไม่ได้ยังขาดไม่ได้หมายถึงยังต้องการมัม้ยถ้าขาดได้ก็มาบวชกับอาจารย์นี บางอย่างฉันยังขาดไม่ได้ไม่ยังขาดไม่ได้เนี่ยยังกังวลถึงมันมหมยังต้องรักษามันไหมรักษาเมื่อยังต้องกังวลต้องรักษามาถึงใจยังผูกกับมันมหมยังผูกใช้อุปทานไหมอุปาทานเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานนั้นตัณหาในหน้าตาอย่างเนี้ยถ้าเรามานั่งดูความรู้สึกอยากเนี่ยตอนนี้เราไม่เห็น แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเนี่ยเราเห็นได้ไหมว่าเรายังมีความต้องการอยู่เห็นไหมมีไล่ความต้องการมันมีอยู่เพราะว่ายังมีสิ่งที่เรายังชอบใจอยู่หรือความไม่ชอบใจเนี่ยเลี้ยงความต้องการได้ไหมอย่างเช่นเกลียดใครอยู่เนี่ยยังต้องการจะเห็นมันพินาศก่อนก่อนตายยังต้องการอยู่เั้นตรง ความติดใจชอบใจก็ทำให้เกิดความต้องการได้ความไม่ชอบใจก็เกิดความต้องการได้ความกลัวกังวลวิตกทำให้เกิดความต้องการได้ไหมได้ความกลัวใครอยากจะกลัวแช่บ้างกลัวอะไรก็ตามก็ต้องการสิ่งใดๆก็ได้มาปดเรลื่องเพื่อให้ใจพ้นจากอารมณ์นี้หรือพ้นจากสิ่งนี้ เมื่อมีความต้องการขึ้นมาเนี่ยจริงจังไหมจริงจังแล้วบางคนต้องการหลายๆเรื่องเนี่ยความคิดเต็มหัวไปหมดเลยคือความต้องการดังนั้นความต้องการในชั้นที่นอนประจำภายในนอนเนื่องอยู่ข้างในเมื่อยังมีอยู่อย่างตอนนี้ เราไม่เห็นความรู้สึกอยากอย่างเช่นรสก๋วยเตี๋ยวยังไม่ผ่านรสซมตํำยังไม่ผ่านเนยไม่เห็นอะไรอยากเลยนะแต่เราดูเรารู้สึกเรายังชอบใจรสอร่อยของอาหารอยู่มไหมอพอยังชอบใจยังโหยหาอยู่ไหมตแต่ถ้าเราเฉยๆกับเรื่องรสชาติละจิตเราจะโหยหาเรื่องรสอาหารไหมไม่คิดยังไม่คิดเลยอะไรฉันก็กิกนได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้แต่ก็ยังชอบสิ่งนี้ น, น, นั้นความต้องการที่ยังนอนเนื่องอยู่ในใจมันยังมีอยู่เพราะยังมีใจที่ยังชอบหรือไม่ชอบอยู่เมื่อถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้เนี่ยไม่เหลืออะไรที่จะชอบไม่เหลืออะไรที่จะชังเนี่ยจะเหลืออะไรให้ต้องการไหมไม่มีเพราะยังต้องการอยู่เนื่องจากยังชอบอยู่ยังติดใจยอยู่ยังชอบอยู่ ยังต้องการอยู่แต่ถ้าถอนจนไม่เหลืออะไรที่ตนรู้สึกชอบใจแล้วเนี่ยความชอบมันจางจืดไปหมดความต้องการก็จางไปด้วยกามต้องการในภายในนะดังนั้นเมื่อยังมีความติดใจหรือชอบใจไม่ชอบใจในภายในเนี่ยบางครั้งมันกระตุ้นให้จิตเราคิดต้องการขึ้นมาเองก่อนนอนก็กรลอยขึ้นมา กินข้าวบางทีก็ลอยขึ้นมาสิ่งที่ต้องการเนี่ยกับเมื่อยังมีความชอบใจไม่ชอบใจอะไรอยู่เนี่ยบางครั้งไปสัมผัสสิ่งกระทบมันไปตรงกับที่ชอบเนี่ยความต้องการมาเลยไหมมาเลยเพราะมันไปตรงกับที่ชอบแต่ถ้าไปสัมผัสไอ้ที่มันไม่ตรงกับที่ชอบมันจะต้องการมความรู้สึกต้องการใหม่ๆมันก็ไม่ลอยให้เห็นว่าเอยฉันต้องการดังนั้นความต้องการมันมีสองส่วนคือหนึ่ง ส่วนที่นอนข้างในกับส่วนที่เกิดดับทางภาษะนอนข้างในมันหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกที่ยังติดใจในโลกมันชอบใจอะไรอยู่แต่ถ้าเราถอนความชอบใจไม่ชอบใจถอนไม่เหลืออะไรจะให้ชอบอีกล่ะเรียกว่าคายราคะหรือมีวิราคะจืดไปหมดอย่างเงี้ย อารมณ์ภายในมันไม่ชอบใจไม่พอใจคืออิ่มเต็มไปหมดกับทุกสิ่งเนี่ยภายในมันก็ไม่เหลือสิ่งที่ต้องการพอใจไม่ต้องการอะไรอะไรกระทบมันจะต้องการไหมเหมือนโยมอิ่มแล้วอ่ะอะไรกระทบมันก็ไม่ต้องการแต่ถ้าภายในยังเหลือใจที่ชอบอะไรอยู่หมายถึงว่าเราก็ยังต้องการเรื่องนั้นอยู่เพอไอ้สิ่งนั้นมากระทบปั๊บเนี่ยจิตมันขาดรับเลยไหมขาดรับเลย พดลับก็เลยเข้าไปก่อใหญ่อารมณ์ชอบให้แน่นหนาขึ้นนั้นตัณหาโยมจะไม่เห็นหน้าตาให้เจอว่าตัณหาชั้นนอนเนื่องนี่คืออย่างหนึ่งเป็นคนละอย่างกับตัณหาที่เกิดดับทางภัสสะนอนเนื่องเนี่ยมีอยู่แล้วประจำตัวเลยประจำใจเพราะคนเรายังมีเรื่องที่ชอบใจ ใครไม่มีเรื่องชอบเลยสักอย่างมีไหมเรื่องพอใจในโลกสิ่งที่ยังพอใจในโลกเช่นพอใจในสิ่งที่โลกมีอยู่พอพอใจแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นต้องการละ่ะต้องการจะถึงจุดนั้นที่โลกเขามีต้องการจะเป็นอย่างนี้ต้องการจะได้อย่างนี้คนต้องการจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะชอบถูกไหมต้องการจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะชอบ ชอบใจเออไปเห็นแล้วชอบพอชอบแล้วต้องเอาให้ได้นี่พอชอบแล้วเนี่ยมันเก็บมาไว้ในใจที่เลี้ยงความชอบแบบนี้เอาไว้เนี่ยถ้าความชอบแบบนี้ยังอยู่ในใจความต้องการเรื่องนั้นจะยังอยู่ในใจไหมอยู่ในใจแล้วถ้าใจยังมีความชอบอะไรอยู่ไปสัมผัสสิ่งที่ตรงกับที่ชอบอีกครั้งเนี่ยความรู้สึกอยากมันลอยหเห็นได้ไหมได้ แต่ถ้าใจมันไม่ชอบอะไรอีกแล้วเคยชอบมาตั้งนานต่อมาไปเจอพุทธเจ้าท่านบอกให้เห็นโทษเินภัยเลยเบือ่อรู้สึกไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยจืดไปหมดเลยพอรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ชอบอีกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรให้ต้องการไหมไม่มีในใจไม่มีอะไรให้ต้องการเลยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมพอไม่มีไปกระทบต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมลมมันจะต้องการขึ้นมาไหม มันก็ไม่ดังนั้นการทําลายตันหากระทั้งรากหรือถอนตันหาขึ้นได้กระทั้งเหตุเหตุของมันคือยังชอบใจไม่ชอบใจอะไรตรงนี้คือสําคัญถ้าถอนความชอบใจก็คือต้องให้เห็นว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่เห็นหน้าต้องการเลยตรงนี้พอเห็นมันไม่น่าต้องการว่ามีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรปวนเห็นบ่อยๆจน ที่เคยชอบมากก็เริ่มจืดที่เคยชอบมากก็เริ่มจางพอเห็นโทษภัยมากๆก็จางจางจนจืดไปเลยหมดความชอบใจหมดความติดใจในภายในเนี่ยความต้องการทุกสิ่งในโลกมันจะยังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่มีแล้วอันนี้คือความต้องการในภายในอย่ามต้องไปมองของจริงให้เห็น ว่าความต้องการที่พอกระทบแล้วรู้สึกอยากเลยแล้วดับไปกับตอนนี้ไม่มีอะไรมากระทบมานั่งดูเรารู้ว่าเรายังมีสิ่งที่ยากเห็นไหมไม่เห็นหรอมานั่งถามตัวเองว่าเรายังต้องการอะไรไหมนเห็นไหมเห็นเรายังขาดสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ได้นะเห็นไหมเห็น น, นเมื่อเห็นด้วยปัญญาก็หมายถึงว่าเรารู้ได้ไม้มว่าข้างในเรายังมีตัณหาอยู่เนี่ยรู้มันเคยหายไปจากเราไหมไม่หายเมื่อตัณหา ย, ยังมีอยู่อุปทานมันจะยังมีอยู่มห ม, มเมื่ออุปทานมีอยู่เนี่ยเราก็รู้ด้วยปัญญาเลยว่าขันเราจะดับสนิทได้ไหมไม่ได้เมื่อขันดับสนิทไม่ได้เรารู้ด้วยปัญญาไหมว่าเราต้องเกิดอีกก็รู้นี่เป็นภายในล้ว น, ลวนเลย ถ้าเรามองด้วยปัญญาเราจะเห็นตัณหาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความรู้สึกตัณหาก็ต้องเห็นด้วยปัญญาด้วยเหมือนกันเรารู้เลยว่าเรายังต้องการสิ่งนั้นเรายังขาดสิ่งนี้ไม่ได้เรายังเยื่อใยสิ่งนี้เรายังต้องการจะเป็นนี่หรือแม้ต้องการที่จะไม่ให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ต้องการที่จะไม่ให้ลูกเป็นอย่างนั้นต้องการจะให้เป็นต้องการที่จะเป็นต้องการที่จะได้ ทุกความต้องการจริงจังหมดเลยอย่างเช่นโยมอยากให้ลูกโยมเป็นอะไรสักสิ่งเนี่ยต้องการให้ลูกเป็นอะไรโยมก็เข็นลูกลูกขัดใจไม่ได้โกรธแต่ถ้าลองปล่อยไม่ได้มั่นหมายว่าลูกเราจะต้องเป็นอะไรเนี่ยโยมจะจริงจังกับลูกโยมไหมไม่พอต้องการปับ๊บจริงจังเลยและเมื่อความต้องการเกิดขึ้นโยมเฝ้ารอไหต้องการว่าให้ลูกเป็นหมอยมรอลูกไหมว่าเมื่ อ, อไรจะเป็นหมอเนี่ยรอไหมรอ พอต้องการเนี่ยมันทั้งจริงจังเข็นเอาให้เป็นให้ตายเนยให้อยู่ในกรอบที่ฉันต้องการความต้องการอย่างนี้ทำให้ทั้งจริงจังทั้งเฝ้ารอทั้งเกาะเกี่ยวทั้งมั่นหมายทั้งไม่วางไม่วางนั้นความต้องการอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ค้างคานอนเนืองได้ไหม ได้เช่นลูกเกิดมาคลอดปุ๊บฉันจะให้เป็นแพทย์นี่เฝ้ารอเลยเมื่อไหร่มันจะโตนี่ไอความต้องการตัวนี้นอนยาวเลยต้องการให้เป็นต้องการจะเป็นสรุปก็คือถ้าลูกเป็นเนี้ยฉันจะมีความสุขก็ที่สุดคือความสุขของใครตัวเองอยู่นั่นเองก็ตัวเองอยู่นั่นเองที่สุดก็หนีไม่พ้นการตัตนาอยู่ดีนั่นเอง นั้นเมื่อใดก็ตามบุคคลจะมองว่าเรายังมีตัณหาหรือไม่มีเนี่ยเรามองเห็นได้ด้วยปัญญ า, าไหมเห็นมเห็นนะเห็นใครไม่มีบ้างมีไหใครไม่มีบ้างฉันไม่มีความต้องการอะไรสักอย่างเลย ต้องการจะไม่เป็นอย่างนี้ก็มีต้องการจะเป็นบางคนอยู่ในภาวะที่ต่ำต้อยฉันไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วพอไม่อยากจะเป็นแรงขับของความไม่อยากจะเป็นก็คุ้นคิดต่หาวิธีการที่จะไม่เป็นที่จะพ้นไปภาวะนี้ใจผูกพันกับสิ่งที่ต้องการมต้องการต้องการจะไม่เป็นก็ผูกพันต้องการจะเป็นก็ผูกพันต้องการให้คนอื่นเป็นก็ผูกพัน ต้องการให้คนนน้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นผูกพันไหมต้องการไม่ให้สามีเป็นอย่างนี้คิดไม่หยุดเลยละ่ะต้องการไม่ให้ลูกเป็นอย่างนั้นนีก็คิดไม่หยุดอีกเหมือนกันนี่ก็ผูกพันทุกความต้องการให้ความยึดถือจริงจังผูกพันเกาะเกี่ยวอย่างบางคนเนี่ยมีหลายต้องการเลย ดังต้องการเรื่องตัวเองบ้างเรื่องลูกบ้างเรื่องคนโน้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างต้องการด้านจะให้เป็นอย่างนี้บ้างต้องการจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นบ้างต้องการจะให้ได้มาเพื่อตัวเองบ้างต้องการอยากให้ลูกได้บ้างต้องการอย่างทุกความต้องการมันให้การเกาะเกี่ยวผูกพันแต่ในทุกความต้องการเนี่ยก็มีมูลมาอย่างเดียวคืออยากได้ความสุข เพราะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นสุขพผลทุกแน่แน่ถ้าได้อย่างนี้ฉันจะเป็นสุขถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นสุขคือสุขตัวเดียวหลักๆคือสุขตัวเดียวนั้นถ้าเรามานั่งดูเจ้าตัวความต้องการเนี่ยด้วยปัญญาเราจะพบว่าในตอนที่จิตยังเฉยเฉยอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ตอนออกจากสมาธิอิ่มเย็นมาเลยเนี่ย ถ้าเราดูด้วยปัญญาตรวจตาตัวเราจริงๆเราพบได้ไ้ยว่าเรายัางต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอยู่พบได้ไหมได้แต่การพบเนี่ยตรวจพบด้วยปัญญาไม่ใช่พบด้วยความรู้สึกไม่ใช่พบด้วยความรู้สึกแต่พบด้วยปัญญาหรือว่าเออฉันยังต้องการเรื่องนี้เมื่อฉันยังต้องการเรื่องนี้อยู่เนี่ยหรือเรายัางต้องการอะไรอยู่เนี่ย เราจะถอนใจหรือคลายใจจากสิ่งนั้นไหมคลายไหมไม่คลายจนกว่าจะได้มาเมื่อไม่คลายก็หมายถึงว่าปล่อยหรือยังไม่ปล่อยเมื่อไม่ปล่อยก็ยังอยู่ในใจเมื่อยังคาใจอยู่มันก็กลายเป็นสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณดังนั้นเพราะมีตัณหานอนประจําอยู่ ตันหาชั้นนอนประจำนะที่ต้องเอาให้หมดถ้าหมดแล้วคือหมดจริงแต่ถ้าตันหาเกิดดับทางภาษาเนี่ยเอาไม่หมดหรอกเช่นถ้าเรายังชอบอะไรอยู่ในใจของเราจะยังต้องการสิ่งนั้นอยู่ยพอกระทบแล้วไปตรงกับสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็จะอยากให้เห็นทีหนึ่งแล้วมันก็ดับแต่ถ้าภายในเราไม่เหลือทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภธรรมลมที่ต้องการอีกแล้วในภายใน ใจเนี่ยสามารถถึงจุดที่มองโลกตรวจตราโลกตรวจตากรรมคุณทั้งหลายหมดโลกแล้วเพราะไม่มีแก่นสารสักอย่างหนึ่งจนภายในเนี่ยถอยคลายความต้องการทุกสิ่งในภายในออกไปได้จนภายในไม่เหลืออะไรให้ต้องการจะเอาปัญญาตรวจก็มองสิ่งที่ต้องการไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เหลือนี่คือข้อหนึ่งพอไม่เหลือสิ่งที่ต้องการในภายในแล้วเนี่ย อะไรกระทบมันจะกระตุ้นให้ต้องการอีกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภที่ใจติดพันเนี่ยตนก็คลายออกหมดแล้วดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัภายนอกที่เข้ามากระทบเนี่ยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลภัที่ตนละได้แล้วทั้งนั้นเมื่อสิ่งที่ละได้แล้วมากระทบเนี่ยมันจะยังต้องการอีกไหมไม่ต้องการ ดังนั้นคนที่ละแล้วจากภายในจึงทำให้ภายในหมดสิ้นภายนอกก็เย็นสนิทเย็นสนิทแต่ถ้าภายในไม่ได้ออออกภายนอกยังเกิดได้เรื่อยๆไหมกระทบกัะยะกระทบกัะยะกระทบกัยะแต่ข้างในพอเอาออกหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าต้องการสักอย่าง ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผธิภัณฑ์ธรรมลมทั้งหยาบทั้งปานีทั้งละเอียดทั้งภายในทั้งภายนอกอารมณ์ไปถึงจุดที่ไม่มีอะไรในโลกให้ต้องการแล้วจากภายในเนี่ยพอโลกกระทบมันจะต้องการไหมไม่อันนี้คือข้างในดับข้างนอกก็เย็นอย่างนี้เด็ดขาดไหมเป็นสมุิเชตเด็ดขาดละแล้วจบแต่ถ้าข้างในไม่เอาออก รู้ทันแต่ละสิ่งที่กระทบอยากก็ละกระทบอยากก็ละอย่างนี้มันจะหมดไหมไม่หมดแต่ข้างในหมดความชอบใจไม่ชอบใจอะไรโดยสมบูรณ์เนี่ยมันทำให้เย็นผัสสะเย็นก็ใช่ก็ผัสสะเย็นกระทบแล้วจืดกระทบแล้วจืดกระทบแล้วจืดเพราะเอาข้างในออก ก, อก็เรียกถอนปัญหาขึ้นได้กระทั่งราก เรียกถอนไม่ใช่ล ะ, ะเขาเรียกถอนดังนั้นถ้าบุคคลมีความต้องการอะไรอยู่แม้เพียงเรื่องเดียวเล็กๆเล็กๆถ้ายังมีอยู่อุปทานจะยังมีไหมมีเมื่ออุปทานมีอยู่ขันดับสนิทไหมไม่ดับถ้ายังมีตัณหาก็จะทําให้ยังมีอุปาทาน เมื่อมีประธานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติเนะขากล่าวนะว่าถ้าคนเรายังมีความต้องการและไอ้เจ้าความต้องการตัวเนี้ยไม่ได้หมายถึงความรู้สึกอยากที่รู้ได้ด้วยความรู้สึกแต่เป็นความต้องการที่ต้องมองให้เห็นด้วยปัญญาความต้องการตัวนี้ทั้งหากที่เราดูเมื่อไรก็เห็นทุกที ใช่ไหมดูเมื่อไรก็เห็นทันทีกับความต้องการเราเริ่มเบาบางลงเนี่ยเรารู้ได้ไหมบางทีคนเราเห็นคนยงรู้ว่าคนนี้ต้องการเยอะจังคนเนี้ยสนโดดจังเลยคนนี้ดูเขามไม่ค่อยอยากจะได้อะไรไมแต่ละคนมีระดับความหนาบางของความต้องการไม่เท่ากันแต่ละคนเมื่อบางได้หมดได้ไหมได้ นั้นความต้องการตัวนี้คือความต้องการชั้นนอนเนื่องที่ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างเช่นเราแต่เดิมเคยอยากได้อะไรเต็มไปหมดเลยวันหนึ่งเข้ามาศึกษาศาสนาศึกษาธรรมะพิจารณาโลกมากขึ้นเริ่มเห็นอะไรต่างๆที่เคยอยากได้ว่ามีแต่โทษภัยมีแต่ความวุ่นวายไม่มีแก่นสารเลยเนี่ยความรู้สึกที่เคยต้องการเขามากๆเนี่ยบางลงได้ไมได้ เหตุที่ความต้องการบางลงเพราะความรู้สึกชอบใจยินดีนะี่ยมันจืดลงนี่พอเพ่งต่อให้ความชอบใจยินดีนั้นมันหมดสิ้นไปเลยเนี่ยความต้องการมันจะเหลือไหมไม่เหลือพอไม่ยินดีมันแล้วนะสิ่งที่ตนไม่ยินดีนะเขาเอามาให้เนี่ยจะดีใจไหเขาเอามายั่วเนี่ยจะกระเพื่อมไหก็ไม่กระเพื่อมเพราะฉันไม่ยินดีแล้วนั้นตันหาในชั้นที่ เป็นภายในนี่แหละคือตัณหาที่หล่อเลี้ยงการเกิดตายเพราะเมื่อปัจจุบันเนี่ยเรามองด้วยปัญญาว่าเรายังมีความต้องการอยู่จิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยความต้องการของเราถ้ายังไม่เคยเอามันออกไปมันจะยังอยู่ไหมอยู่เมื่อตัณหายังอยู่อุปทานจะยังอยู่ไหมอยู่เมื่ออุปทานยังอยู่ขันดับสนิทไหมไม่สนิท จิตสุดท้ายก่อนตายไปนั่งพุโทโธหรืออยู่กับพระพุทธรูปเนี่ยใจกำหนดนึกถึงพระพุทธรูปเนี่ยตรงนั้นอารมณ์เป็นกุศลแต่ถ้าเราดูตัวเราเองเราจะพบว่าเรายังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถูกไหมเมื่อยังต้องการอยู่อุปทานก็ยังคงอยู่แล้วทำไง อ, ออกไงดี ไอ้ตันหาที่เกิดดับทางภาษาไอ้ตรงรู้สึกยากนี้ยังรู้ทันและควบคุมได้ถูกไหมแต่ไอ้ตรงตันหาประจำใจนี่สิตรงประจาใจเนี่ยที่ทำให้เราเป็นคนหนาหลือเกินหรือบางหลือเกินเนี่ยตรงนี้ตัณหาที่เป็นปัญหาของการเกิดตายพระเจ้าให้ถอนออกให้หมดจึงกลายเป็นผู้สิ้นตันหาในภายในสิ้นตันหา ถโยมมองเห็นหน้าตาตัณหาตรงส่วนนี้หรือความต้องการที่มีอยู่ในใจเนี่ยหน้าตาตัณหาแบบนี้เราจะละยังไงเอาสติละได้ไหมตอนนี้มันยังเฉยอยู่สติละได้ไหมไม่ได้แล้วละยังไงต้องถอนด้วยปัญญาเหตุที่ยังมีความต้องการในใจอยู่เพราะยังชอบใจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ เหตุที่ยังชอบใจอยู่เพราะมองว่ายังสิ่งนั้นมันดีพุทธเจ้าเลยให้มามองใหม่ให้เห็นสิ่งที่ตัวเองชอบว่ามันไม่ดีพอเห็นว่าไม่ดีได้อย่างแรงกล้าเนี่ยยังจะชอบเท่าเดิมไหมไม่ชอบละพอเริ่มจืดจางเขาใช้คำว่าวิราคธรรมคือจางคลายจางคลายพอคลายความชอบใจความชอบใจเบาบางความต้องการก็ลดลง พอเห็นโทษภัยแก่กล้าจริงจริงจนรู้สึกืน่ากลัวเหลือเกินความชอบใจหมดสิ้นไปความต้องการยังจะเหลือมะหมดเยื่อใหจริงจริงในภายในนี่คือในภายในอารมณ์ที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหรือไม่มีอะไรให้เอาอีกแล้วเนี่ยมันทำให้จิตสมบูรณ์ด้วยความเฉย เดกฉลังคะอุเบกขาพอไม่ต้องการก็หยุดพอหยุดก็ดับอั น, นี่คือกลไกนะถ้าต้องการมันหยุดไหมไม่หยุดเดี๋ยวคิดอีกเดี๋ยวทําอีกเดี๋ยวนึกอีกก็ต้องการไม่หยุดพอไม่ต้องการมันก็หยุดพอหยุดแล้วก็วางอย่างนั้นดังนั้น ในส่วนมุมนี้พุทเจ้าพบว่าปัจจัยที่ทาไม่สัตว์ยังมีความยึดถือยังมีความจริงจังยังมีการเกาะเกี่ยวยังไม่วางยังไม่ปล่อยเพราะเขายังมีความต้องการถ้าหมดความต้องการคนนั้นก็จะวางแล้วก็ปล่อยถ้ายังต้องการอยู่ไม่มีปล่อยถ้าไม่ต้องการแล้วเขาจะปล่อยและวาง เมื่อใดก็ตามบุคคลยังมีตัณหาเมื่อนั้นก็จะมีอุปาทานเมื่อมีวิานขันก็ดับไม่สนิทขันดับไม่สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มีขึ้นตัณหาอุปาทานพบเนี่ยต้องมองเห็นด้วยอะไรปัญญาอย่างเดียวตัณหาในที่นี้หมายถึงตัณหาในชั้นที่ต้องมองด้วยปัญญา ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วตัณหาในชั้นนอนเนื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงตัวหรือเกิดดับให้เราเห็นทรงตัวนะมันค้างเอาไว้มันทรงเอาไว้ถ้าเรามองเออเห็นเลยว่าแก่ยังอยู่พอมองก็เห็นเลยว่าเธอยังมีนี่คือเขาทรงอยู่เมื่อเขาทรงอยู่อย่างนั้นตอนเด็กตอนแก่หรือตอนจะตาย ถ้ายังไม่เอาออกเขาก็ยังทรงอยู่ตอนหลับเขายังทรงอยู่มหมตอนตื่นเขาก็ทรงอยู่ตอนอะไรกระทบกระตุ้นให้อยากเขาก็ทรงอยู่อะไรไม่กระทบเขาก็ทรงอยู่นั้นคนทุกคนเนี่ยยังมีตัณหาไหมมีเมื่อมีตัณหาทรงอยู่จะไม่มีอุปาทานได้ไหม ไม่ได้เมื่อตัณหาทรงอยู่อุปทานทรงอยู่ไหมทรงอยู่เมื่ออุปทานทรงอยู่พบทรงอยู่ไหมทรงอยู่เมื่อพบทรงอยู่การเกิดสิ้นสุดไหมไม่สิ้นสุดณนะที่ตรงนี้คือภาวะที่ทรงทั้งนั้นเลยตัณหาอุปาทานพบเนี่ยคือสะท้อนการทรงให้เห็นเลยทรงอยู่ตัณหาในชั้นที่ทรงอยู่ กับตันหาในชั้นเกิดดับเมื่อผัสสะกระทบคนละตัวกันเกิดแล้วดับไปมีปัญหาไหมแต่ไอ้ที่ทรงนี่แหละม่มีปัญหาไอ้ที่ทรงนี่แหละเหตุที่ตันหามันทรงอยู่เพราะมันยังถูกหล่อเลี้ยงด้วยราคะโทสะโมหะซึ่งต้องไปต่อกันได้แค่สามตัวนะ ตัณหาอุปาทานพบชาตินะชาติตั้งแต่เมื่อวานละตัณหาอุปาทานพบนะได้สามตัวฉะนั้นปฏิทินี้เป็นตัวความรู้ล้วนๆเลยที่ต้องมองด้วยปัญญาพอรู้แล้วก็คือแค่รู้ว่าอ๋อมีชาติเพราะมีพบมีพบเพราะมีเวาทานมีเวาทานเพราะมีตัณหาหน้าตามันเป็นแบบนี้ ถ้ามีตัณหาจิตก็จะยังเกาะเกี่ยวเพราะเกาะเกี่ยวขันดับไม่สนิทขันดับไม่สนิทก็เกิดอีกก็เห็นระบบของการเกิดว่าเป็นยังไงนั้นถ้าจะดับชาติต้องดับที่พบจะดับพบดับที่อุปาทานจะทําให้สิ้นอุปาทานต้องดับที่ตัณหากลายไปดับที่เหตุนะ พอสมควรแถมให้ย0สิบนาทีนี่ไม่มีอนนิจจังอะไรเย็นนี้เราก็เจอกันที่ลานเชิญ